เรื่องเล่าผีหลอนตอนฝีเท้าปริศนาเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นตอนที่ผมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของประเทศและที่ตั้งก็เป็นที่เก่าแก่เล่าลือกันว่าผีดุมาก มีเรื่องเล่าหลอกน้องใหม่อยู่สองสามเรื่องเกี่ยวกับเด็กนุ่งจงกระเบนจะมานั่งซ้อนท้ายจักรยานหาขีไปคนเดียวบ้างเรื่องของสาวสะบเขียวสะบแดงที่มาปรากฏตัวให้เห็นยามดึกบ้างแต่เรื่องที่ผมเจอมานั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับตำนานบทไหนของที่นั่นบ้างหรือไม่ ตอนเข้าไปใหม่ๆต้องมีการรับน้องที่นั่นเขารับกันเป็นเดือนละครับช่วงแรกที่วากผู้ชายจะโดนก่อนสองสามสัปดาห์วันสุดท้ายของการวากชายผมป่วยเป็นอิสุกอิสัสรุ่นพี่เลยอนุญาตให้พักได้ไม่ต้องลงวากคือไข้มันสูงก่อนที่เม็ดตุ่มจะออกนะครับและตามกำหนด ทางสโมสร น, นักศึกษาเขากำหนดว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันสุดท้ายของการรับน้องเดี่ยวได้แล้วและจะเริ่มรับน้องรวมคณะไหนจะเลิกก่อนก็ได้แต่ห้ามเกินวันนี้และก็จําเพาะว่าทุกคณะจะต้องมาวาักวันสุดท้ายวันนั้นพอดีผมก็เลยนอนอยู่บนหอเกือบจะคนเดียวเพราะพวกปีหนึ่งไปโดนวัก แล้วพวกรุ่นพี่ก็ไปวากน้องครับห้องที่ผมพักนั้นเป็นหอพักรุ่นแรกๆของมหาวิทยาลัยมีห้าชั้นรวมดาดฟ้าและห้องที่ผมพักนั้นเป็นห้องที่อยู่สุดทางเดินชั้นสี่พอดีเป็นห้องที่กว้างกว่าห้องอื่นๆในชั้นหนึ่งหนึ่งจะมีห้องชั้นนี้เพียงสี่ห้องเท่านั้นแต่ก็จะมีคนพักมากกว่าห้องธรรมดาเหมือนกันห้องผม พักกันห้าคนครับแต่มีเตียงเพียงแค่สามเตียงก็เลยต้องเอาเตียงทั้งหมดมาต่อกันถึงจะนอนกันพอเข้ามุมห้องพอดีครับด้านข้างก็จะเป็นกาแพงส่วนอีกด้านหัวนอนจะเป็นหน้าต่างวันนั้นผมก็นอนอยู่ในห้องประมาณสามทุ่มได้ผมลืมตาตื่นขึ้นมาเนื่องจากได้ยินเสียงเขารับน้องกันใกล้ ในห้องตอนนั้นมืดมากเพราะผมนอนไปตั้งแต่เย็นตามันเลยยังปรับไม่ได้ด้วยก็เลยนอนอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างข้างๆ้างหูรู้สึกว่าเป็นเสียงที่ดังอยู่ในห้องนี่แหละผมพยายามฟังอยู่สักครู่ก็ทราบว่าเป็นเสียงเดินลากเท้าดังแสกแสกมันดังมาจากทางหน้าประตู ผมก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเพราะโดนรุ่นพี่ขู่ไว้มากอีกอย่างผมก็เป็นคนกลัวผีมากๆด้วยเสียงฝีเท้านั้นเหมือนเดินตรงมาที่เตียงผมเลยหลับตาบทส่วนอะไรก็นึกไม่ออกนึกถึงพ่อแม่อย่างเดียวสักพักเสียงเดินนั้นมันก็ผ่านมาข้างๆเตียงแล้วผ่านไปทางหัวนอน วกกลับมาอีกด้านหนึ่งของเตียงแล้ววนมาที่ปลายเตียงอีกครั้งเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสี่ห้ารอบรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งก็เปิดประตูห้องเปิดไฟเข้ามาเรียกผมลงไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนจะเปิดใจซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องครับผมลุกพรวดเข้าไปหาแกเลยทันทีแกยังบอกเลยว่าสงสัยผมหายป่วยแล้ว แต่พอพี่เขาเห็นหน้าผมแกก็เลยรีบพาลงไปข้างล่างผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆฟังเขา ว, ว่าผมคงเผลอเพราะพิษไข้แต่พอเรากลับถึงห้องพักสิครับเพื่อนๆถึงกับอึ้งไปเลยเรียกใครต่อใครมาดูกันใหญ่เพราะที่ห้องผมนั้นเต็มไปด้วยรอยเท้าเปื้อนโคลนเต็มรอบเตียงไปหมดเป็นรอยเท้าที่ข้างขวา ลงน้ำหนักเต็มส่วนเท้าข้างซ้ายนั้นลากตามมาเหมือนคนขาเสียรอยนี้ยังเปื้อนเข้าไปถึงใต้เตียงด้วยเพื่อนๆก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องนี้ว่ามันอาจเป็นขโมยก็ได้ผมก็แย้งว่าแล้วมันเดินไปใต้เตียงทาไมผมถามเฉยๆครับทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเข้าไปเดินไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเตียงมันต่ำมากนอกจากว่าคนคนนั้นจะเลื่อนเตียงออกจากข้างผนังเสียก่อนหรือไม่ก็คือเขาต้องสามารถเดินผ่านเตียงไปได้เลยตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยย้ายไปอยู่ที่ห้องอื่นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผี